นิมิตตังสาทุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีกตัญญูรู้คุณบุญไม่ละทำกตตะเวทีนั้นดีแสนใครทำชอบเอาชอบมาตอบแทนไม่ดูแคลนคุณคนปรนนิบัตริรู้บุญคุณตอบคุณนี้บุญหลาย เป็นเครื่องหมายคนดีท่านชี้ชัดไม่รู้คุณตอบคุณบุญวิบัติจะเป็นสัตว์หอนเหา่าเอากลามังพระพิพัฒน์ปริยติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับยญยสังเวียนในมีลูกสองคน คนโตเป็นผู้ชายชื่อนายสมบัติส่วนคนเล็กก็เป็นผู้หญิงชื่อสมศรีสามีของยายสังเวียนน่ะตายไปนานแล้วตัวยายสังเวียนน่ะเจ็บออดแอดแมาหลายปีอาศัยอยู่กับสมศรีลูกคนเล็กที่มีสามีแล้วชื่อนายชอบส่วนสมบัติลูกชายก็มีครอบครัวแล้วแยกไปอยู่อีกตำบลหนึ่งมีลูกคนนึงแล้วก็ไม่ค่อยมาดูแม่เลยสมศรียังไม่มีลูก สามีชื่อในชอบสมศรีเบื่อระอาแม่แล้วเกินยิ่งกลางคืนใหญ่สังเวียนแกไอหนักก็ยิ่งเพิ่มความรำคาญในชอบก็ชอบถามเมียบอกว่าแม่เองเมื่อไหร่จะตายสักทีว่าสมศรีข้าดนรำคาญเสียงไอตอนดึกดึกซะจริงๆก็คงไม่นานหรอกพี่ผอมขนาดนั้นนะ่ะออขนาดไม่นานนะสามปีแล้วที่ต้องทนฟังแกไอหวีในท้องก็ไม่เป็น ไม่รู้จะอะไรกันนักหนากลางวันเนี่ยนอนเงียบเีจยวมันแกล้งกันหรือเปล่าวะกลับมาจากทำไร่มันมันก็เหนื่อยเต็มทนนะพอล้มตัวนอนแกก็เริ่มไอน่ารำคาญฉันก็รำคาญเหมือนกันแหละหอบผืดก็ไม่เป็นเอายาแก้ไอให้กินก็ไอไม่เลิกพี่สมบัติเน่ยไม่มาดูบ้างเลยเห็นแก่ตัวเหลือเกินสมศรีก็นอนก่หน้าผาก เช้ามือสมศรีทอดปลาแกงคั่วปลาหมอไทยเตรียมใส่ปินโตเตรียมให้ในายชอบไปกินที่ไรเมื่อถึงเวลาข้าวเช้าก็ตักข้าวแล้วผ่าไข่เค็มให้แม่ฟองหนึง่งอ้าวกินสะแม่ถ้าฝืดคอก็เอาน้ำเทใส่ข้าวสมศรีขอแม่กินข้าวก็แกงมังได้ไหมแม่ได้กลิ่นมันหอมมากแม่อยากกิน ไม่ได้จะกินไปได้ยังไงกะทิมันมันกินเข้าไปไอเพิ่มขึ้นนะดิกินปลาเค็มไข่เค็มมาแล้วนางสมศรีบอกอย่างนั้นนางสังเวียนก็นอนเฉยไม่ลุกขึ้นกินข้าวน้ำตาไหลพรา่าครา ก, รากสมศรีเห็นอย่างนั้นก็หมั่นไส่นี่แม่ทำเหมือนเด็กพูดไม่รู้เรื่องอยากจะกินมากใช่ไหมอ้ลุกขึ้นเดี๋ยวจะเอามาให้กินสมศรีกระชากแม่ให้ลุกขึ้น แล้วก็เดินไปตักแกงคั่วมาให้เอากินเข้าไปถ้าคืนนี้เห่าหอนหนักนะจะเอาสากและถุงให้ยันขอหอยเลยสมศรีก็ด่าแม่นั่งสังเวียนตักข้าวกินเออนานแล้วไม่ได้กินแกงแบบนี้เออเดี๋ยวขอข้าวแม่อีกหน่อยได้ไหมแกงมันอร่อยมากสมศรีก็เติมข้าวให้อา้าวกินเข้าไปเช้ากินเยอะแล้วเที่ยงไม่ต้องกินนะฉันจะไปถางหญ้าที่ไร่ ข้าวก็หมดหม้อแล้วไม่มีเวลาหุงเย็นน้นค่อยกินใหม่แล้วยาก็อย่าลืมกินละ่ะถ้าคืนนี้ไอหนั ก, กจะลากไปนอนข้า ง, างคอกบัวสมศรีว่าแม่แล้วก็เดินไปไร่ตกกล้งคืนยายสังเวียนก็ไอหนักลูกเขยก็รำคาญมากขว้ากระป๋องอวนตีนเก่าๆบนหัวนอนแล้วออกไปตรงห้องที่แม่ยายนอนนางสังเวียนนอนเปิดประตูอยู่ ในชอบปากระป๋องเข้าไปดังโครมใหญ่สังเวียนตกใจเฮ้อประสาทจะแดกไอยอยู่ได้ตายก็ไม่ตายในชอบดา่าสมศรีก็เดินตามออกมาเป็นไงล่ะบอกแล้วว่ากินแกงกะทิมันจะไอมากขึ้นก็ไม่เชื่อไม่ยอมร้องไห้เหมือนเด็กๆยิ่งแก่ยิ่งพูดไม่รู้เรื่องน่าเบื่ออา้อาวไอเข้าไปไอเข้าไปให้มันขาดใจตายไปเลยไม่ตายอย่าหยุดนะ สมสีว่าแม่ที่นอนไออยู่ในมุง้งตอนเช้าตาเขียวคนข้างบ้านก็เดินมาถามว่าเมื่อคืนเอะอะอะไรกันกลางดึกมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าก็แม่ฉันนะสิกินแกงขั่วเมื่อวานกลางคืนก็ไอหนักให้กินกับไข่เค็มก็ร้องไห้ไม่อยากกินนะตากินแต่ไข่เค็มกับปลาเค็มแม่เองจะเอาเรียวแรงมาจากไหนกันล่ะ มันก็ต้องเบื่อบ้างละเป็นข่าข่ากโกงกินไม่หลงทำไมเองไม่ทำแกงจืดต้ยมยำน้ำใสบีบมะนาวใส่พริกให้แม่เองกินบ้างวะก็ผัวฉันไม่ชอบกินฉันก็เลยไม่ได้ทำผัวฉันชอบกินแกงเผ็ดแกงคั่วผัดพริกก็เลยทำบ่อยเออสมศรีเอ้ยผัวกับแม่นะ่ะใครจะมาก่อนวะข้าเห็นเองใส่บาททุกวันแต่ทำให้แม่กินไม่ได้แล้วเองจะได้บุญตรงไหนกัน แม่เอิงนะ่ะผอมแห้งขนาดนั้นอิงก็ต้องบำรุงแกบ้างสินะสมศรีนี่ตาเขียวนะอ่าเดินกลับบ้านไปเชอะบำรุงบำรุงทําไมบำรุงให้ตายช้าขึ้นหรือไงเป็นภาระน่าเบือ่อตายเมื่อไหร่ก็หมดความนองคาญเมื่อ น, นั้นนะยายเงียมได้ยินที่ตาเขียวพูดแกก็แอบร้องไห้รำพันว่าทําไมลูกไม่รักแม่เหมือนอย่างที่แม่รักลูกบ้าง ไม่รู้เวรกรรมอะไรอยากจะตายให้ผลผลไปเหมือนกันเย็นวันนั้นในชอบลูกเขยกินข้าวเสร็จนั่งพักผ่อนสักครู่ก็อาบน้ําเตรียมจะเข้านอนหันไปเห็นแม่ยายก็ชี้หน้านี่คืนนี้อยู่ให้เงียบๆบ้างนะวันนี้เหนื่อยฉันจะนอนให้สบายหน่อยถ้าจะไอเอาผ้าอุดปากสับ้างทําแดกไม่ได้หรื อ, อยังเห่ารบกวนคนที่ทําให้แดกอีกวันไหนทนไม่ไหวจะแตะเสยคางให้ร่วงใช่เห็นมันรู้แล้วรู้รอดไปเลย นายชอบว่าแล้วก็เดินเข้าห้องนอนไปตอนเช้าสมศรีก็หุงข้าวเตรียมข้าวให้ผัวไปกินในไร่เช่นเดิมเกือบสว่างก็เข้าไปเรียกนายชอบไปตื่นไปไร่สมศรีจัดการงานบ้านเสร็จก็จะตามไปที่หลังทุกวันตอนเย็นก็จะกลับมาพร้อมกันสมศรีเข้าไปเรียกผัวเรียกเท่าไรผัวก็ไม่ลุกจากที่นอนไม่สบายใหรอเปลา่าพี่ชอบสมศรีเปิดมุ้งเขย่าตัวก็ต้องตกใจ ปรากฏว่าในชอบไม่ตื่นจับหงายในชอบก็ไม่ไหวติงอ่าในชอบนอนตะแข็งอยู่สมศรีลองจับชีพจอนดูมันก็ไม่เต้นใชแล้วในชอบนอนหลับตายตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เพราะเมื่อคืนสมศรีก็หลับสบายในชอบก็ไม่ได้ลุกไปด่าแม่เช่นเคยสมศรีไม่อยากเชื่อว่าในชอบจะตายเพราะร่างกายแข็งแรงไม่เคยเจ็บไข้แม่เะอีกที่ตนแช่งทุกวันนอนป่วย ทำไมไม่ตายสมศรีวิ่งไปบ้านตักเขียวไปร้องไห้ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงก็แห่มาดูต่างก็ช่วยกันจัดงานศพในชอบสมศรีก็รำพึงรำพันพี่ชอบไม่น่าตายเลยยังหนุ่มยังแน่นเนอะสมศรีร้องไห้ถ้าเป็นแม่ตายฉันยังพอทำใจได้เพราะป่วยมานานนี่ผัวฉันยังแข็งแรงแท้ๆหลายคนที่ได้ยินก็ลุกจากงานไปหลายคนตักเขียวก็บอกว่า ถึงขนาดนี้แล้วเอ็งยังไม่สำนึกอิริสมศียังอยากให้แม่ตายแทนผัวเอ็งมันเนรคุณสุดสายเลือดเลยนะถ้าเอ็งยังคิดอย่างนี้ไม่มีวันจะเรือนรักคนเรามันจะตายยังไงมันก็ต้องตายนอนอยู่ในมุ้งก็ตายเอ็งอย่าคิดว่าคนที่ป่วยจะต้องตายก่อนนะเสร็จงานเอ็งกลับไปดูแลแม่เอ็งให้ดีมันยังไม่สายนะสมศี หัวเองกับเองนะ่ะดุดาแม่ยิ่งความหมานรกรออยู่ข้างหน้าแล้วรีบกลับตัวกลับใจเสียสมศรียกมือไหว้ตดเขียวอย่างสำนึกผิดหลังจากนั้นสมศรีก็ดูแลแม่จนแม่แข็งแรงกลับมาหุงหาข้าวปลาให้สมศรีกินได้แม่อ้วนขึ้นแล้วก็หายจากอาการไอสมศรีก็ทำไรทำเองบ้างจ้างเขาบ้างก็รอดไปพอมีอไรายได้ ต่อมาสมศรีก็มีสามีใหม่สามีใหม่นี่พูดจาดีกับนางสังเวียนทุกคำไม่เคยด่าทอไม่นานก็มีหลานสาวตัวน้อยนางสังเวียนก็ดีใจมากนางสังเวียนอดที่จะขอบใจตาเขียวไม่ได้ที่ช่วยพูดจนสมศรีกลับใจตัวตาเขียวกับครอบครัวก็อยู่ในศีลในธรรมแกก็มีอายุยืนไม่เจ็บไม่ไข่การที่นายชอบตายคงจะเป็นเพราะเวรกรรมที่แช่งแม่ยา ย, ายให้ตายทุกวัน สมศรีเองก็แช่งแม่ด่าแม่อยู่เช่นกันเธอก็เลยต้องสูญเสียผัวรักไปอย่างกระทันหันแบบนั้นเจยวครับมาคุยกันถึงเรื่องแม่สักเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังคุณนิสาเล่าว่าตั้งแต่จำความได้แกมีแม่เป็นที่พึ่งอย่างเดียวเท่านั้นครอบครัวของแกมีกันห้าคนพี่น้อง พ่อรับราชการส่วนแม่ทำงานบ้านอย่างเหน็ดเหนื่อยและเลี้ยงดูลูกๆทั้งห้าอย่างไม่เคยปริปากบ่นเลยสักคำลําพังรายได้แต่ละเดือนของพ่อนั้นไม่พอที่จะเลี้ยงดูกแกกับน้องๆ อ, อีกสี่คนได้หรอกแม่น่ะเป็นคนทําหน้าที่หาเงินตรงส่วนนั้นให้ลูกๆได้กินอิ่มมีอะไรที่พอจะทัดเทียมคนอื่นได้บ้างแม่ก็จะจัดหามาให้เพื่อที่ลูกจะได้ไม่อายใครเขา ตอนนี้แม่จากไปแล้วจากไปอย่างไม่มีวันที่จะหวนคืนเส้นเลือดหัวใจตายเฉียบพลันคืออาการก่อนที่แม่จะจากคุณนิสาไปตามที่หมอระบุไว้ในมรณบัตรแกก็รู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมานั่งหรือฟื้นเรื่องราวชีวิตของแม่ขึ้นมาเพราะคนเราควรกระตันยูให้เห็นตอนที่เป็นปนมากกว่าตอนที่ตายจากกันไปแล้วแบบนี้ แต่แกก็อยากจะบอกกับใครๆว่าแม่ของแกเป็นคนดีจริงๆและเพื่อที่จะได้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจลูกทุกคนที่ได้ฟังเรื่องของแกว่าแม่เป็นผู้มีพระคุณล้นพนลูกทุกคนควรกระตันยู่ต่อท่านทั้งต่อหน้าและรับหลังต้องกระตันยู่ต่อท่านทุกลมหายใจไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะต้องมานั่งเสียใจภายหลังอย่างที่แม่เคยพูด กับนิสาในคืนหนึ่งก่อนที่จะเสียชีวิตเพียงสิบวันว่าจําไว้นะลูกจําไว้สอนลูกเราเองก็ได้คนเราควรจะมีความกระตันอยู่อย่างเรื่องอาหารการกินนี่ถ้าพ่อแม่อยากกินอะไรก็หามาให้กินซะถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วนี่ลูกเอาอาหารไปตั้งไว้ข้างหลงศพ ถึงจะเคาะโลงเรียกหรือว่าจุดธูปบอกก็ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าแล้วคุณนิสาก็ต้องสะท้อนใจนึกถึงคำพูดของแม่เสมอก็พยายามเกี่ยงไม่เอาอาหารให้กินยามที่แม่นอนอยู่ในโลงเลยแต่ก็มีวันหนึ่งที่แกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องรำพึงรำพันกับแม่ว่าไม่ว่าแม่จะได้กินอาหารที่ลูกจัดหามาให้หรือไม่ก็ตามลูกอยากให้แม่รู้ว่า ลูกไม่อยากเอามาให้แม่กินในสภาพนี้เลยจนถึงป่านนี้แกก็ยังรู้สึกว่าแม่กำลังมองแกอยู่แม่ยังคงเป็นเพื่อนแกยังคงให้ความรักความอบอุ่นกับแกเสมอไม่เสื่อมคลายอ่าก็อยากจะให้รู้ว่าแม่ของแกนาดีอย่างไรเริ่มตั้งแต่ตอนที่แกจดจาเป็นเรื่องได้เป็นเรื่องเป็นราวแกอาศัยอยู่ในบ้านเช่าแถบเตาปูนกับพ่อแม่และน้อง เช้าขึ้นมาแม่ก็จะเตรียมอาหารให้ลูกกินแกก็รู้ว่าแม่ต้องตื่นแต่เช้าไปตลาดทำกับข้าวทำงานบ้านทุกอย่างชีวิตก็เป็นอย่างนี้จนแม่เห็นว่ามันน่าจะดีขึ้นก็เลยลงทุนค้าขายโดยเช่าตึกแถวจากญาติทางพ่อของคุณนิสาอ่าแม้ว่าจะรู้ว่าเขาเอาเปรียบแต่แม่ก็ไม่มีทางเลือกไหนดีกว่าก็เลยต้องยอมทน สินค้าที่แม่เลือกขายก็คืออาหารซึ่งเป็นของถนัดของแม่อยู่แล้วนิสาเองก็โตพอที่จะช่วยเหลือแม่ได้ก็เลยเป็นผู้ช่วยของแม่อย่างไม่เคยปริปากบน่นเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กก็นึกสนุกที่ได้ขายของที่บ้านแม่จ้างลูกจ้างมาช่วยงานสองคนซึ่งแบ่งเบาภาระได้มากแต่ไม่นานก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้พ่อของคุณนิสาเนี่เข้าหาลูกจ้างจนมีสัมพันธ์ทางเพศกันในที่สุด แม่ก็กล้ากลืนฝืนทนอยู่นานถึงขั้นทะเลาะตบตีแต่ก็ไม่รุนแรงอะไรพ่อยอมสารภาพแม่ก็ขอเลิกกับพ่อพ่อก็ยอมแต่บอกว่าจะเอานิสาไปอยู่ด้วยอ่าก็ถามนิสาว่าจะอยู่กับใครแกก็ตอบอย่างไม่ลังเลสักนิดเดียวว่าอยู่กับแม่จนแล้วจนรอดพ่อก็ไม่ได้เลิกกับแม่แม่เองก็ใจอ่อนคงจะเห็นแก่ลูกที่มีอยู่ถึงห้าคนพ่อทําตัวดีได้สักพัก คราวนี้ก็ก่อเรื่องอีกเป็นเรื่องเงินเงินทองทองพ่อเอาอาหารที่ร้านแม่ไปขายเพื่อนที่ทำงานวันละหลายสิบห่อแล้วก็ไม่เคยเอาเงินมาจ่ายคืนแม่วันวันเอาแต่กินเหล้าเมายาครั้งหนึ่งเคยพานิสากับน้องสาวคนรองไปที่สโมสรไม่ยอมพากลับบ้านจนแม่ต้องออกโรงไปตามมีเรื่องกันแต่ก็ไม่รุนแรงถึงขั้นตบตี อาชีพต่อมาของแม่ก็คือรับจ้างซักรียเสื้อผ้าซึ่งนิสาก็ช่วยเหลืออย่างไม่อายตอนนั้นแกเรียนชั้นมหนึ่งเห็นจะได้แกจําไม่ได้แล้วว่าทําไมแม่ถึงเลิกขายของรู้แต่ว่าแม่บอกว่าจะย้ายบ้านเสร็จแล้วก็เขียนป้ายรับจ้างซักผ้าเพื่อนในซอยของแม่ก็ช่วยกันหาลูกค้าให้จําได้ว่าเช้าขึ้นมาก่อนไปโรงเรียนแกะจะต้องไปรับส่งผ้าจากลูกค้าหลายเจ้า แม่ทำหน้าที่ซักรีดทั้งหมดแกก็สังเกตเห็นว่าแม่เหนื่อยมากเหลือเกินแต่แม่ก็ไม่เคยปริปากบ่นสักคำวันหนึ่งหลังจากที่นิสากลับจากโรงเรียนก็เห็นแม่นอนหลับอยู่ตรงบันไดตอนแรกก็นึกว่าแม่เป็นอะไรแต่พอได้กลิ่นเหล้าคลุ้งก็รู้ว่าแม่ต้องกินเหล้าแน่แนเอ๊ะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะแต่ไหนแต่ไรามาแม่ไม่เคยต้องดื่มเหล้านี่แกก็เลยต้องค้นหาความจริงให้ได้แล้วแกก็ได้รู้ แม่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยตามลำตัวปวดเมื่อยไปหมดเช้าต้องซักผ้าโดยมือให้ลูกค้ากว่าสิบเจ้าตกบ่ายก็ต้องทนนั่งทนยืนหลังขดหลังแข็งรีดผ้าที่ร้ายไปกว่านั้นพ่อไม่เคยจะสนใจหรือว่าคิดจะช่วยเหลือแต่ก็มีที่ร้ายกว่านั้นอีกพ่อของแกกำลังมีเมียใหม่คราวนี้มาแปลกผู้หญิงคนนั้นหลอกให้พ่อซื้อบ้านแล้วทำทีมาชักชวน ให้นิสากับแม่และน้องไปอยู่ด้วยน้องๆก็ยังไรเดียงสาเกินกว่าที่จะรู้เล่ห์เหลี่ยมของผู้หญิงคนนั้นเวลาที่เขาพาไปดูบ้านก็ทำท่าทางเห่อบ้านใหม่แต่นิสาไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรด้วยเลยเพราะว่ามองดูแววตาของเจ้าหล่อนออกแม่ตัดสินใจที่จะไม่ทนอีกต่อไปก็เลยบอกเลิกงานซักผ้าที่ทำอยู่กับลูกค้าทั้งหมดในตอนสิ้นเดือนพอดีกับช่วงจังหวะ ที่นิสากับน้องๆปิดเทอมแม่ก็เลยพาแกกับน้องๆอบพยพยจะไปอยู่ทางใต้เพราะแม่มีเพื่อนสนิทอยู่ทางใต้ไปอยู่กันที่นครศรีธรรมราชสงขลาและปัตตานีราวสองเดือนก็กลับเนื่องจากแม่เห็นว่าลูกๆยังเด็กไม่อยากให้ออกมาอะไรเหรอร่อนนอกถิ่นที่คุ้นเคยไกลๆแบบนี้แล้วแม่ก็ไม่อยากให้ลูกต้องมาเริ่มต้นใหม่แกกับน้องๆก็เลยได้กลับบ้านที่กรุงเทพในที่สุด แม่ยึดอาชีพใหม่คือรับจ้างเลี้ยงเด็กแต่ก็ต้องเลิกทำหลังจากที่ทำมานานถึงสามปีเพราะต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดมดลูกส่วนเรื่องของพ่อในช่วงนี้แกจำไม่ได้เลยเพราะมัวแต่เป็นห่วงเรื่องของแม่และไหนจะต้องช่วยแม่ดูแลน้องๆ อ, อีกสี่คนแม่รักษาตัวอยู่ไม่นานก็มีโรคประจําตัวเพิ่มขึ้นนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคนิ้วโรคต้อ และไม่นานนักโรคหัวใจก็ตามมาหมอบอกว่าโรคแบบนี้เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์หนึ่งถ้าควบคุมมันได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าควบคุมมันไม่ได้ก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตนิสาก็รู้ว่าแม่ควบคุมมันไม่ค่อยได้เพราะแม่เป็นคนคิดมากแม่มักจะกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรื่อยมาถึงสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่และสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วย ก็ย้ายบ้านกันหลายครั้งเหนื่อยกันหลายหนไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองแม่คิดจะซื้อที่ไรพ่อก็บอกไม่มีปัญญาก็เลยต้องเช่าบ้านเขาอยู่เรื่อยมานี่เป็นเรื่องเครียดเรื่องที่หนึ่งของแม่เรื่องเครียดอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดกับชีวิตแม่และลามมาจนบั่นทอนสุขภาพจิตของแม่เป็นอย่างมากก็คือพ่อได้เพื่อนสนิทของแม่คนหนึ่งเป็นเมียและมีสัมพันธ์จนทาให้บ้านแตกสราขาด พ่อกับแม่ก็เลยต้องแยกกันอยู่นับแต่นั้นลูกๆ ก, ก็ต้องอยู่กับแม่โดยที่พ่อสงเสียบ้างไม่ส่งเสียบ้างจนถึงขั้นต้องไปยื่นเรื่องฟ้องที่หน่วยงานของพ่อนิสากับแม่ก็เคยทํามาแล้วแต่ดูเหมือนพ่อไม่เคยสํานึกเลยว่าตนเองเป็นคนผิดกลับเดินคลุงไปไหนมาไหนกับเมียใหม่อ ย, ย่างเปิดเผยแม่ของนิสาบอบช้าเลือเกิน ไหนจะต้องทำงานอย่างหนักไหนจะต้องทนทุกข์ทรมานใจกับเรื่องที่บั่นทอนสุขภาพจิตแบบนี้นิสาก็อยากจะรู้ลึกเกินมามีผู้หญิงคนไหนที่มีชะตากรรมเหมือนกับแม่ของแกบ้างและถ้ามีเขาจะทำอย่างไรที่ต้องแบกภาระหนักอึ้งไว้เพียงลำพังแม่เขาออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นพ่อดีอยู่บ้างตรงที่ทำงานราชการและแม่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ แม่ก็เลยได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอแต่แม่ก็ยังคงสู้ต่อยังคงมีแก่ใจเปิดร้านขายของค้าขายเล็กๆน้อยๆรับจ้างทําโน่นทํานี่ไปวันๆเช่นรับจ้างเสียบปลาหวานเป็นไม้ๆหลังละเจ็ดบาทเบียดเสร็จแล้วหลังหนึ่งหลังหนึ่งต้องเสียบปลาหวานให้ได้ไม่ต่ำกว่าสองร้อยไม้รับจ้างทําดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็พันุ์ก้านโดยปลาร้าเทปถึงแม้จะ แพ้สารที่ชุบกรีบดอกไม้จนคันเขยอขึ้นผื่นไปทั้งตัวแม่ก็ยังอดทนทำเพื่อที่จะให้มีไรายได้มาจุนเจือครอบครัวเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาชีพที่แม่เคยทำมาอย่างลำบากลําบนแม่เป็นคนรักเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะความคิดของอากงหรือว่าตาของนิสาที่ว่าเรียนไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก็ต้องมีปัว แม่ก็เลยได้แต่มองคนใส่ชุดนักเรียนเดินผ่านหน้าบ้านไปเรียนหนังสือตาปริบๆอย่างที่แม่เคยเล่าให้นิสา ฟ, ฟังพอโตเป็นสาวเข้าหน่อยก็อยากอ่านหนังสืออยากฟังเพลงเอ็นวิทคลิปริชาร์ดหรือว่าเดอะบิเตก็ถูกด่าเจ็บๆถูกตีแรงๆว่ามึงอยากจะใจแตกนักเหรออ่านไปทำไมฟังไปทำไมไม่เห็นจะมีประโยชน์ตรงไหนและเมื่อมีชายหนุ่มในจังหวัดมาแอบชอบ ส่งจดหมายรักฝากเพื่อนเพื่อนมาให้ก็จะมีคำหยาบคายตามมาหลังจากที่ถูกจับได้ว่ามึงอยากจะมีผัวนักเหรอตามด้วยเสียงไม้กระทบเนื้อแม่ก็เล่าให้ฟัง่อยน้ำตานิสาก็รู้ว่าแม่ต้องทุกข์มากขนาดไหนชั่วชีวิตไม่เคยมีความสุขกับเขาเลยพอจะสบายเข้าหน่อยเพราะลูกๆโตกันหมดแล้วก็ต้องมาป่วยเป็นโน่นเป็นนี่พอตัดเรื่องพ่อได้แล้ว ก็ยังต้องมาทนทรมานกับโรคที่รุมเร้าเออแม่ทำกรรมอะไรไว้หรือแกเองก็เคยถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งอะแกไม่เคยได้เห็นแม่มีความสุขยืนยาวอย่างที่คนอื่นเขามีกันสักครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเรียนที่แม่ไม่เคยได้ตั้งใจแม่ก็เก็บเอามาคิดตลอดจนมีลูกแม่ก็สนับสนุนไม่เคยขาดอยากเรียนอะไรเป็นได้เรียนและที่สุดแห่งความยินดีของแม่ก็คือ นิสาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้และที่แกได้เห็นรอยยิ้มเบิกกว้างของแม่ก็คือวันที่แกได้รับพระราชทานปริญญาบัตรความทุกข์ของแม่ยังคงมีอยู่และเพิ่มขึ้นแกเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำพาเรื่องทุกข์มาสู่ดวงใจช้ำแล้วก็ร้าวรานของแม่เมื่อชีวิตครอบครัวของนิสาล้มเหลวแกก็หอบลูกกลับมาซบไออุ่นจากแม่แม่ก็อา แขนอบกอด น, นิสาและลูกน้อยทั้งสองไว้อย่างอบอุ่นไม่เคยคิดรังเกียจเดชันนิสาเองก็ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่าจะอยู่ดูแลแม่ไม่ห่างกายแต่จนแล้วจนรอดก็มีเรื่องเขาอีกจนได้พ่อเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยเพราะเลิกกับเมียของเขาแล้วแม่น่าไม่อาจจะทนอยู่ร่วมชายคาเดียวกับพ่อได้เพราะว่าไม่วางใจในตัวพ่อ แม่ก็เลยออกไปอาศัยอยู่กับน้องของนิสาในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งกลางกรุงและที่นั่นเป็นแหล่งพักพิงที่สุดท้ายก่อนที่แม่จะจากนิสากับน้องๆและหลานๆไปวันที่เกิดเหตุแม่หายใจผิดปกตินิสากับน้องสาวพาแม่ขึ้นรถไปโรงพยาบาลแต่คงจะช้าเกินไปเพราะว่าเมื่อแม่มาถึงมือหมอมัจุราชก็เตรียมมาพรากแม่จากทุกคนไปแล้วหัวใจของแม่หยุดเต้น หมอไม่ยอมแพ้ก็เลยปั๊มหัวใจขึ้นมาใหม่พยายามอยู่นานถึงส0นาทีหัวใจจึงค่อยเต้นขึ้นมาใหม่อย่างอ่อนแรงสมองของแม่ขาดออกซิเจนน้ำท่วมปอดแต่หมอก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มความสามารถเมื่ออาการของแม่ดูแย่หมอก็ให้ทุกคนทำใจแม่พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหัวใจนานถึงแดวันแล้วก็จากไปอย่างสงบ เนื่องจากอวัยวะภายในโดยเฉพาะไตเสื่อมสภาพแล้วสมองไม่สั่งงานอย่างอื่นในร่างกายก็รวนไปหมดนิสาเองก็สองจิตสองใจตั้งแต่ตอนแรกที่แม่มีอาการแน่นิ่งไม่รับรู้แล้วใจหนึ่งก็อยากให้แม่ฟื้นขึ้นมาอยู่กับลูกๆหลานหลานแต่อีกใจหนึ่งถึงแม่ฟื้นขึ้นมาก็ต้องมานั่งนั่งนอน น, อนกระดิกกระเดียไม่ได้ทรมานสังขารเหลือเกิน หมอเองก็พยายามมาเพียนถามอยู่หลายครั้งว่าจะเอาอยัางไงนิสาก็ดีใจที่แม่จากไปเองโดยที่แกไม่ต้องตัดสินใจอะไรลงไปแกดีใจที่แม่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคร้ายอื่นๆอย่างมะเร็งแบบที่อากงเป็นและที่สุดนิสาก็สุขใจที่แม่ไม่ต้องตื่นขึ้นมารับรู้ปัญหาอีกมากมายของชีวิตอื่นๆของนิสาของน้องๆ อ, อีกสี่คน ของพ่อของญาติญาติของหลานหลานที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะมีปัญหาให้คบคิดในภายภาคหน้าสังคมเมืองวุ่นวายที่ทุกคนอาศัยอยู่แล้วก็ความวุ่นวายของประเทศชาติที่วันวันมีปัญหาไม่หยุดหย่อนป่านนี้แม่คงอยู่บนสวงสวรรค์เพราะแม่ไม่เคยทำกรรมอะไรที่หนักหนาแม่ทำบุญมาตลอดทั้งที่วัดหรือว่าช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก นั่นล่ละแม่ก็คือแม่คนดีที่หนึ่งของนิสาครับ